คำสอนของมารดาเมื่อใกล้วันบวช <usp> เต็มทีแม่จึงได้เรียกลูกมานั่งต่อหน้าและหยิบยกเรื่องเรื however, ่องหนึ่งขึ้นมาสอนลูกด้วยความเป็นห่วงว่า